ฉบับที่แล้วได้สาธยายเรื่องผีเทวดาพรหมซึ่งเป็นเรื่องของจิตมโนวิญญาณแท้ๆที่จะเห็นหรือรู้ภาวะจริงได้ก็ต้องมีภาษาทรูป5และโคจรูป5ทำปฏิปิกิริยากันขึ้นจึงจะเห็นจะรู้ความจริงนั้นเต็มความจริงตามสภาพ ถ้าไม่มีภาษาทรูป5กับโคจรรูปหก็ไม่มีกายกับโ พ, พฏพภะทำปฏิกิริยากันทำปฏิกิริยากันก็ไม่มีวิญญาณหกเกิดขึ้นให้ตัวเราเองสามารถเห็นหรือรู้ของตนเองได้ยิ่งเป็นของคนอื่นที่เขาจะเห็นหรือรู้จักวิญญาณเขาก็ต้องเห็นหรือรู้ของตน จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นผีหรือเป็นสัตว์นรกเป็นต้นนั้นของตนแล้วจึงจะได้เรียนรู้ความจริงในวงเล็บอริยสัตว์นี้และจะได้กําจัดภาวะสัตว์นรกนี้ของตนให้เป็นนิโรธอริยสัตว์ต่อให้สมมติว่าคุณสามารถจริงๆเก่งกาจถึงขั้นเห็น หรือรู้วิญญาณที่เป็นผีหรือจิตที่เป็นผีของคนอื่นเขาที่เป็นของเขาในใจของคนอื่นเขาที่เป็นกิเลสของคนอื่นคุณได้แต่กำหนดหมายเอาเองอยู่ในสัญญาของคุณเท่านั้นซึ่งสัญญานั้นต่อให้เป็นปัญญาที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วเราจะไปกำจัดกิเลสนั้นให้เขามันก็อยู่ที่คนอื่น มันก็อยู่ที่อื่นในตัวคนอื่นเขาได้อย่างไรหรือว่าจะใช้ฤทธิ์อำนาจพิเศษที่ลึกลับมหัศจรรย์โดยใช้ฤทธิ์เบ่งอำนาจที่กาดเก่งเข้าไปทำลายกิเลสให้เขาได้เลยอย่างที่มีคนลงเลอะเทอะกันว่าตนมีฤทธิ์มีอำนาจเยี่ยงนี้กันอยู่เป็นอาจารย์วิเศษทั้งหลายถ้าทำได้จริงๆ พระพุทธเจ้าทำไมไม่ทำให้ใครเลยสักคนเลยละ่ะถ้ามันง่ายอย่างนี้เป็นไปได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องทำแล้วสิอย่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้ากันเลยที่ว่าจะแก้กรรมให้คนนั้นคนนี้ได้ไม่ให้เขาตกนรกก็เท่ากับการกำจัดผีนรกในตัวคนอื่นได้จัดการจิตวิญญาณที่เป็นผีในตัวคนอื่นสาเร็จ และพูดกันว่าแก้กรรมให้เขาหมดเหตุแห่งทุกข์ก็คือแก้กรรมไม่ให้เขาต้องไปตกนรกไม่ให้ไปเป็นผีกันนั่นนะ่ะมันตกกับมันตลกรับประทานทั้งนั้นหลงเละเทะเละเท ะ, เ ะ, เทะงมงายแท้ๆเอาเถอะต่อให้คุณสามารถเห็นจิตเห็นวิญญาณผู้อื่นได้จริงรู้ได้จริงก็เถิดมันไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญ หรือไม่ใช่เรื่องที่ท่านให้ทำเลยท่านทรงห้ามเป็นทุกกฎด้วยและทรงบริพาทความเก่งนี้ด้วยที่เป็นปฏิหารเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารหรืออิทธิปฏิหารแบบนี้นี่แหละมียืนยันชัดในพระไตรปิฎกเล่มเก้าเกวัตสูตรอ่านดูได้นี่คือความจริงประเด็นสำคัญที่คนผู้หลงตนว่า ตนเก่งกาดเห็นผีเห็นจิตผีวิญญาณผีของคนอื่นได้นั้นแล้วอวดดีว่าจะล้างกิเลสให้เขาแก้กรรมที่เลวร้ายให้เขามันเป็นไปไม่ได้เพราะผีมันเป็นจิตวิญญาณของเขาอยู่ในตัวของคนอื่นคนใดก็ของเขาเราจะล่วงเข้าไปสัมผัสในจิตในวิญญาณคนอื่นได้อย่างไรเพราะจิต หรือวิญญาณมันคือธาตุรู้ของใครก็ของมันจะไปเอาความรู้สึกในใจเขามาเป็นความรู้สึกในใจเราได้อย่างไรจะไปจัดการความโลภความโกรธในจิตใจคนอื่นให้เขาไม่มีความโลภความโกรธกันแบบไหนมันไม่ใช่ใจเราใจใครก็ใจใครใจเราก็ใจเราใจเขาก็ใจเขาใจมันเป็นกิเลส ก็ของตนเท่านั้นกิเลสจะลดก็ต้องตนทำกิเลสในใจของใครก็ทำของตนเท่านั้นจิตหรือวิญญาณของใครก็เป็นของคนนั้นหนึ่งเดียวในวงเล็บเอโกมันไปเอาจิตของคนอื่นมาอยู่ในจิตของเราเป็นสองไม่ได้เช่นความอาวิชชาที่หลงเลอะเทอะของคนเข้าทรงเป็นต้นหลงว่า ให้จิตหรือวิญญาณของคนอื่นเข้าส่งหรือเข้ามาเป็นจิตเป็นวิญญาณในจิตของเรานั้นมันเป็นไปไม่ได้จิตของใครมันก็เป็นของตนเองหนึ่งเดียวเป็นเอโกมันจะเข้าคนนั้นออกจากคนนี้หรือจิตผีจิตเทวดาอันเป็นจิตเร่จิตร่อนจากที่ไหนก็ตามเข้าไปสิงคนนั้นคนนี้ เป็นครั้งเป็นคราวทับเข้าไปแทนที่ในจิตคนเข้าทรงหรือจิตคนนั้นออกจากตนเองไปก่อนชั่วคราวค่อยแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่เมื่อจิตผีจิตเทวดานั้นออกไปจากตนจะเปลี่ยนกันอยู่ในร่างนั้นจะทับกันอยู่มันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นนิยายน้ำเน่าวลวงโลกมานานแสนานาน และจะหลอกคนที่อาวิชาไปอีกนิรันดรผู้อาวิชารู้ไม่ได้ง่ายง่ายนั่นคือความหลงผิดอย่างยิ่งคนเข้าทรงกันอยู่ทั้งหลายนั้นเป็นแค่อุปทานชนิดหนึ่งที่กำหนดหมายเชื่อมั่นว่าเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็เกิดอาการตามที่มีอุปทานของตนจนเป็นจริงสำเร็จในจิตในองเล็บมโนโมยัตตา เป็นภาวะอาการเข้าทรงตามที่ตนยึดไว้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นอุปทานอยู่ในความงมงายของผู้ยังอวิชชาตนเองก็ไม่รู้ตนเองว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะตนก็ไม่ได้เรียนรู้จนบรรลุวิชาภาวะเช่นนี้คือมโนมยอัตตาคือรูปหรืออัตตาที่สําเร็จด้วยจิตของตนเองทําเองเป็นเอง ตนเองบ้าเองแท้ๆไม่มีวิญญาณอื่นใดไหนเลยที่เข้ามาที่มาเข้าคนนั้นคนนี้ได้การเข้าทรงเข้าสิ่งอะไรพวกนี้จึงเป็นมโนมยตาของตนเองที่เป็นอุปทานซึ่งยังอยู่ในก้นบึ้งอนุสัยของคนผู้นั้นผู้นั้นฉบับที่แล้วเนื้อความก่อนจบมีว่าผีมันก็คือวิญญาณ คือจิตนั่นเองเทวดาก็วิญญาณก็จิตพรหมก็วิญญาณก็จิตจิตก็วิญญาณก็มโนมโนก็วิญญาณก็จิตใช่ไหมวิญญาณจิตมโนปรากฏอยู่ณที่ใดจึงคือตัวผีตัวเทวดาแท้ๆอยู่ณที่นั้นและไม่สิงสู่อยู่ที่ไหนๆอันเป็นมหาภูตรูปด้วย จะอยู่ได้ประจำที่เป็นเหมือนห้องเหมือนถ้ำมีขอบเขตเรียกว่าคูหาสยังที่เดียวเท่านั้นคือในตัวสัตว์โลกที่มีจิตนิยามดินน้ำไฟลมหรืออากาศมหาปุตตรูปทั้งหลายมันเป็นผีเป็นเทวดาไม่ได้ผีหรือเทวดาหรือพรหมก็คือวิญญาณคือจิตคือเจตสิกคืออารมณ์คือเวทนาเท่านั้น ที่เป็นผีเป็นเทวดาและเป็นแล้วก็เห็นไม่ได้ในวงเล็บอนิทัศนังไม่มีสรีระในวงเล็บอสรีระให้เห็นได้แบบตาเนื้อเห็นเห็นถ้าจะเห็นในวงเล็บปัสโตได้รู้ชาณโตรู้ในวงเล็บชาณโตได้ก็เป็นแค่อาการเท่านั้นที่ปรากฏให้ผู้เรียนรู้กำหนดหมายในวงเล็บสัญญา กำหนดเครื่องหมายใน่งเล็บนิมิตเอาเองตามญาณปัญญาของตนดินน้ำไฟลมอากาศเป็นผีแท้ไม่ได้ดินน้ำไฟลมอากาศเป็นเทวดาแท้ไม่ได้ดินน้ำไฟลมอากาศเป็นได้แค่ผีหลอกเทวดาหลอกพรหมหลอกหลอกคือเท็จทั้งสิ้นแม้แต่รูปทั้งหลายทั้งปวงเดียว ที่มีเกี่ยวกับนามเลยนั้นมันเป็นผีเป็นเทวดาเป็นพรหมไม่ได้เด็ดขาดแต่ก็หลอกกันแล้วก็หลงกันอยู่ในโลกปั้นขึ้นมาเป็นมโนมยอัตตาจนสําเร็จแล้วก็เห็นเองหลอกตนเองหลอกผู้อื่นให้หลงตามจนกระทั่งผู้อื่นกลายเป็นผู้หลงก็มีอุปาทานสามารถได้มโนมยอัตตาในวงเล็บมโนมยอัตตปฏิลาโภนั้นไปตามๆกัน หลงว่าจริงไปตามๆกันจนบัดนี้มอเมากันมานานแสนนานแม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ยอมเ่าการหลอกให้หลงผิดว่าผีเทวดามารพรมซึ่งก็ยอมรับกันอยู่นะว่าเป็นเรื่องของวิญญาณของจิตเป็นเรื่องของาธาตุรู้ซึ่งมองไม่เห็นตัวตนเพราะไม่มีสรีระในองเล็บอสรีรัง เห็นไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันชัดว่าวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพสพโตปพังในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่มเ้าข้อ350อวิญญาณเห็นไม่ได้ในวงเล็บอนิทัศนังตาเนื้อของคนมองเห็นไม่ได้มันไม่มีรูปร่างจะให้เห็นเหมือนมนุษย์ล่องหนหายตัวเพราะไม่มีเส้นมีกรอบ มีขอบมีเขตมันไม่มีที่สุดในวงเล็บอนันตังมันเหมือนแสงสว่างกระจายทั่วไปในวงเล็บสับพพโตประพังแม้ในพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ13ก็มีพระวจนะยืนยันว่ามโนนั้นอสรีรังคือธาตุรู้นั้นไม่มีรูปร่างก็ชัดชัดแต่ก็หลอกกันให้หลงผิด ไปเห็นรูปร่างผีเทวดามารพรหมแม้จะระบุเอาเฉพาะจิตวิญญาณมโนตัวแท้เท่านั้นก็หลอก ก, ก็หลอกกันแล้วหลอกกันอีกว่ามีรูปประทาตที่เห็นรูปร่างตัวตนได้หลอกกันสร้างนิทานมาหลอกกันว่าวิญญาณผีมีรูปร่างตัวตนอย่างนั้นวิญญาณเทวดาเห็นร่างได้อย่างนี้ ทั้งทั้งที่เป็นอุปาทายรูปแท้ๆไม่ใช่มหาภูต ร, รูปสี่เลยหรือแม้จะเป็นอุปาทายรูปก็ยังต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นกายที่เป็นเอกันตะกรร ม, มชรูปในวงเล็บรูปที่เกิดจากกรรมอย่างเดียวแท้ๆกับอุตตชรูปในวงเล็บรูปที่เกิดแต่อุตต จึงจะแยกความเป็นรูปแยกความเป็นนามได้จริงได้แท้จริงเด็ดขาดส า, าสามารถกำหนดสามารถกาหนดรู้รูปรูปรูปกายรูปนามนามกายนามรูปได้ถูกต้องบริบูรณ์จึงหลอกกันหนักยิ่งขึ้นว่าถ้าใครมีริษฐานุภาพทางจิตวิญญาณเก่งทางสมาธิทางฌานจิตนั้นยิ่งจะ สามารถเห็นรูปร่างตัวตนของผีของวิญญาณได้เก่งกาจพิลึกพิลือแล้วคนก็ยิ่งไปหลงศรัท ธ, ธาบูชายกย่องผู้ที่ยังมิจฉาทิฐิกันหนักหนากันหนักหน้านี้ยิ่งยิ่งขึ้นเลยยิ่งผิดซ้อนซ้ำโ ง, ซงซ่ซับโง่ซ้อนในเวฟอวิชาซับอวิชาซ้อนหนักหนาสาหัสกันใหญ่อยู่แบบนี้ จนทุกวันนี้ในวงการพุทธศาสนาเมืองไทยพากคหลงเลอะเทอะถึงขั้นสามารถเข้าไปเฝ้าวิญญาณของพระพุทธเจ้ากันโนนเอาอาหารข้าวน้ําไปถวายพระพุทธเจ้ากันเลยคนจึงอวิชชาแล้วมีตัวตนของผีหรือเทวดาหรือพระพรหมหรือพระเจ้าไปตามทิฏฐิของตนอยู่ไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าศึกษาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิได้แล้วปฏิบัติให้สัมมาปฏิบัติเราก็จะสามารถเห็นความเป็นผีเทวดามารพรมได้จากองค์ประชุมของรูปและนามในองเล็บกายคือจิตคือวิ ญ, ญญาณที่เป็นผีเป็นเทวดาเป็นพรมหรือวิสุทธิเทพในที่สุดตามพระพุทธวจนะซึ่งในวิญญาณถีติเจ็ก็ดี หรือในสัตตาวาส9กก็ดีหากผู้ปฏิบัติสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายอย่างสัมมาทิฐิแล้วจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตวโอปปปติกะโดงเล็บสัตตาอปาปติกาเราสามารถเห็นความเป็นผีเทวดามารพรมได้ด้วยญาณด้วยวิชาซึ่งเป็นการรู้ที่มีจักสุ ญาณปัญญาวิชาแสงสวาง่างในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม19ข้อ1674และเล่มอื่นๆจะเรียกว่าตาทิพตาธรรมตาวิเศษอะไรก็แล้วแต่ที่รู้ด้วยวินวิชา8ก็คือความรู้พิเศษที่ต่างไปจากที่รู้แบบเทวนิยม ส่วนผู้มิจฉาทิฏฐิอยู่ก็จะมีตาทิพตาธรรมตาวิเศษแบบของเขาเช่นนั้นแต่มันแต่เป็นการเห็นวิญญาณแบบปุทุชนเทวนิยมปุทุชนเทวนิยมรู้เห็นเทพแบบแบบลึกลับที่บอกความวิเศษก็มหัศจรรย์ประหลาด จ, จนตนเองก็อธิบายไม่ได้ว่าคืออะไรมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย เกิดอย่างไรดับอย่างไรส่วนของพุทธนั้นเป็นแบบอเทวานิยมซึ่งเป็นแบบไม่ลึกลับในวงเล็บอระหะมีการพิสูจน์ด้วยการสัมผัสผีสัมผัสเทวดานั้นๆได้จริงเป็นความวิเศษที่ตนเองบอกได้อธิบายได้มีปรากฏการแห่งอิทธปปฏยตายืนยันวิชาพระพุทธเจ้านั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริง แม้จะเป็นนามธรรมละเอียดในวงเล็บนิปุนาที่ลึกซึ้งถึงขั้นสันตาในองเล็บสงบปานิตาในองเล็บประณีสุขุมแห่งภาวะกายปสัสจุบันอันเป็นองค์ประกอบของรูปนามที่เป็นกายสงบขั้นดับอาสวะซึ่งต้องเห็นด้วยความเป็นกายเริ่มเห็นขั้นต้นก่อนอื่นคือสกายะ ในวงเล็บกายของตนซึ่งเป็นสังซึ่งเป็นสั่ยอดข้อแรกซึ่งเป็นสังโยงน์ยข้อแรกกันทีเดียวแล้วจึงแล้วแล้วจึงจะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่การศึกษากายในกายโลกุตระข้อหนึ่งของโพธิปักคิยธรรม37ในวงเล็บข้อต้นในสติปฐานสี่ ซึ่งเป็นกายสังขารและปฏิบัติไปตามปกติในชีวิตประจำวันด้วยหลักกายคตาสตินั้นแหละให้มีผลละความดาริพร่านที่อาศัยเรือนได้ละความดาริพรานที่อาศัยเรือนเสียได้ในวงเล็บยเคหสิตาในวงเล็บยเคหสิตา สระสังกับป่าเตปหฮียันติไปจนกระทั่งเกิดภูมิรู้ตามสมมทิฐิสํำเร็จผลไปตามหลักอาปาณ า, านาปาณสติสมบูรณ์สัมมานิโรธเป็นที่สุดโดยพิจารณาด้วยสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติตามส ม, มปทานสี่มีอิทิบาสีช่วยตลอดสังสมลงเป็นอินสีห้าพละห้า จนกระทั่งบริบูรณ์ด้วยโพชงเจตบนฐานปฏิบัติอันเอกคือมรองค์8นั่นเองครบโพธิปัจขิยธรรม37สเำเร็จอริยธรรมโลกุตระ46ที่มีกายสงบในองเล็บกายปสัสสติขั้นดับอาสวะที่ผู้ปฏิบัติรู้จักรู้แจ้งที่ผู้ปฏิบัติรู้จักรู้จริงบรรลุวิชาและวิมุต โดยเห็นแจ้งความจริงในวงเล็บสัจชิกะตะชนิดที่มีจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างซึ่งต้องศึกษากายต่างเช่นกายสังขารกายวิญญาณกายกรรมกายขตะกายานุปัสนากายทุจริตกายกะลิกายปัะสาท กายปสัสสติกายปาคุณตากายภาวนากายกายละหูตากายมุทุตากายกรรมัญญาตาแต่ถ้าผู้ปฏิบัติบางคนจะสามารถปฏิบัติจนกระทั่งทําให้อาสวะของตนบางอย่างหมดสิ้นไปได้บ้างแล้วเป็นกายสักขีเป็นกายยสกขีบุคคลถ้าปฏิบัต ผู้ปฏิบัติผู้นี้ก็ยังต้องปฏิบัติสัมผัสวิโมกข์แด้วยกายสําเร็จอิริยบุตรอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาจนกว่าอสวะทั้งหมดของผู้นั้นจะหมดสิ้นเกลี้ยงได้จริงในงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม36ข้อห1ึริจึงจะทรงยอมรับว่าเป็นผู้บรรลุถึงที่สุดอรหรัน เห็นความสําคัญของคําว่ากายนี้ขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมกายเป็นองค์รวมหรือองค์ประชุมรูปกับนามที่ปรุงแต่งกันอยู่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังขารเริ่มตั้งแต่กายสังขารสังขานี้แหละที่คนทั้งหลายไม่รู้คืออวิชชาซึ่งเป็นข้อแรกของปฏิจจสมุปบาทในองเล็บ คือการอาศัยกันและการเกิดเลยทีเดียวเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม4มหาขันธกะข้อหนึ่งและที่อื่นๆผู้ไม่ศึกษาให้สัมมาทิฏฐิก็จะอวิชชาคือจะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสังขาร น, นี้แน่หรือแม้ ศึกษาไม่ดีก็ยังมิชาทิฐิได้สังขาร น, นั้นเราเรียนรู้ได้จากชีวิตที่ต้องอยู่กับมหาภูตรูปสร่วมอยู่ด้วยในโลกซึ่งเรามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์พึ่งกันเป็นธรรมชาติของชีวิตสัตว์ที่มีประสาทเริ่มจากภาษาธรูปหําทหน้าที่ร่วมกับโคจรรูปหนั่นแหละขึ้นมา เช่นตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นทั้งหทวาร น, นั้นเมื่อสัมผัสกระทบกันขึ้นก็เกิดวิญญาณซึ่งมีวิญญาณหกให้ศึกษาปฏิบัติกำจัดกิเลสในกายในองเล็บองค์ประชุมหรือองค์ประกอบของรูปนามนั้นๆเมื่อภาษาทรูปกับโคจรรูปสัมผัสกันเข้าเป็นภาษสาม ก็เกิดวิญญาณนี้แหละคือวิญญาณผีหรือวิญญาณเทวดาซึ่งเป็นสัตว์โอปปาติกะในองเล็บสัตว์ทางจิตวิญญาณผีหรือเทวดานี้เกิดอยู่ในตัวคนเป็นๆจึงจะเห็นความจริงได้เพราะยังมีภาษาทารูป5และโคจรูปหําทำงานในคนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงเห็นกายวิญญาณได้ ถ้าตายไปแล้วไม่มีกายของสัตว์หรือไม่มีองค์ประชุมของรูปนามที่จะแสดงภาวะแห่งความจริงให้ใครใดแม้แต่เจ้าตัวผู้เป็นเจ้าของวิญญาณไม่ครบองค์ประกอบในองเล็บกายก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงผู้ยังอวิชชาทุกคนจึงต้องศึกษาจากภาวะรูปสองอันเกิดจากปสาทรูปห้า ควรจรูปหซึ่งคนผู้ยังอวิชาก็ยังมีความเป็นอัตตาอยู่คือหนึ่งอิทัตตะในวงเล็บภาวะที่ยังมีอัตตาไม่สงบระงับจิตยังดิ้นแสหาหรือจิตยังวันไหวจิตยังกระเพื่อมจิตยังมีฟุ้งอยู่จิตยังไม่หมดนิวรจิตยังไม่เป็น เอ ก, กะขะตาหรือยังไม่เป็นเอกกบุรุตที่เราจะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอิทธินีในวงเล็บจิตยังมีอำนาจไม่พอหรือยังไม่บริบูรณ์จิตยังมีความเป็นใหญ่ในตนไม่เต็มตัวยังมีภาวะของอิทธินิมิตตะคือ ยังมีเครื่องหมายแห่งการเกิดในวงเล็บโยนิอยู่ซึ่งยังไม่เจริญถึงขั้นปุริสการในวงเล็บความเป็นเอกอิสระ 2. ผู้ยังมีอิทถัตตะจึงต้องปฏิบัติตนให้เข้าขั้นให้ถึงขั้นปุริสตะในวงเล็บภาวะที่เป็นอัตตาที่สงบระงับในวงเล็บปัจสัมภติ จิตเป็นเอกกะตาไม่มีเพื่อนสองในจิตในวงเล็บอยู่ผู้เดียวเป็นเอกอิสระหรือเป็นเอกบุรุษหรือเป็นอุตมะปุริสะไม่มีเครื่องหมายแห่งการเกิดในวงเล็บไม่มีอิทธินิมิตแล้วแม้จะยังเป็นอัตตาอยู่แต่เป็นอัตตาของผู้มีญาณ ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาของสัตว์ต่างๆในตนของตนและสามารถปฏิบัติจนกระทั่งกำจัดอิทธัตตะให้เป็นปุริสัตตะได้สำเร็จแล้วจริงจึงเป็นผู้ไม่ลึกลับในวงเล็บอระหะในความเป็นอัตตาของสัตว์ทางจิตในวงเล็บสัตในวงเล็บโอบ ปปปาติกสัตว์สามารถกําจัดความเป็นสัตว์ได้แท้ความเป็นสัตว์นั้นๆตายดับสิ้นไม่มีสัตว์กลัวนในจิตจิตก็สงบระงับแม้จะยังอาศัยอาัตตานั้นอยู่ก็เป็นอรหัตตาคือเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอัตตาเพราะไม่ลึกลับในองเล็บอรหะ ในความเป็นอัตตาได้แล้วจึงกำจัดอัตตาสัตว์แต่ละระดับได้แล้วจนกระทั่งมีปุริสถามะในวงเล็บกำลังแห่งความเป็นเพศที่หนึ่งหรือบุรุษเพศธรรมดาปุถุชนที่ยังมีอวิชชาอยู่เป็นสามัญของตนทั่วไปยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้ฝึกฝนตนอย่างใดเลย วิญญาณก็จะมีอารมณ์ไม่ดีคือมีวิญญาณสัตว์ทางจิตที่เรียกว่าวิญญาณผีในวงเล็บทุกขเวทนาซึ่งอยากอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดหรือหรือไม่ก็มีอารมณ์ดีคือมีวิญญาณสัตว์ทางจิตที่เรียกว่าเทวดาในวงเล็บสุขเวทนาซึ่งได้บำบัดอารมณ์อยากนั้นๆอยู่อย่างต่อเนื่องหรือพักยก คลั้งคราเป็นวิญญาณสัตว์ทางจิตที่ไม่เป็นทั้งผีทั้งเทวดาอารมณ์กลางๆในวงเล็บอทุคมา ส, สุขเวทนาหรือเคหสิตะอุเบขาเวทนาชีวิตคนอวิชชาสามารถชีวิตคนอวิชชาสามัญก็จะดำเนินไปกับศรัทธาสังคมในวงเล็บปริสามารยาทอวิชชายะถากรรมสติ ปัญญาเป็นธรรมดาอารมณ์เขาจะมีสามัญสำนึกในองเล็บ c อม m อนเซ n s e ขั้นคอนเชียสสามัญที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเป็นปกติธรรมดาสำหรับปุถุชนทุกคน ส่วนผู้เป็นกรลยานชนมีสำนึกสูงกว่ามีสานึกสูงขึ้นกว่าก็จะมีการฝึกฝนสังวรตนควบคุมตนชีวิตก็จะดำเนินไปกับศรัทธาศีลฮิริโอต ป, ปะพะหูสูตรจากะปัญญาตามภูมิแห่งฐานานุฐานะของสัตว์เทวดาโลกี ส่วนผู้มีพุทธส่วนผู้เป็นพุทธที่สัมมาทิฏฐิก็จะมีชีวิตดําเนินไปตามฐานาส่วนผู้เป็นพุทธที่สัมมาทิฏฐิก็จะมีชีวิตดําเนินไปตามฐานะแห่งตนเท่าที่ตนได้สมาทานศีลอันเหมาะสมกับตนไปตามลําดับขั้นต้นก็มีศีลห้าพื้นฐานไปก่อนด้วยการปฏิบัติที่ไม่ผิดคําสอนของพระศาสดาในวงเล็บ อปนกัรปฏิปทาสนั่นคือสำรวมอินทรีหกในวงเล็บและข้ออื่นในส ม, มประทานสโภชเนมตันยุตตาชาคริยานุโยคะก็จะเจริญก็จ ะ, จะเจริญศรัทธาฮิริโอตปะพะหูสูตรวิริยปัญญาวิริยสติ ปัญญาเกิดสามัญญผลอธิจิตสิกขาเป็นฌานสี่สังสมลงเป็นสัมมาสมาธิและมีอธิปัญญาสิกขาเจริญเป็นอวิชชาแปดจึงพ้นความเป็นสัตว์โลกีไปตามลำดับศา ส, สนาพุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงวิญญาณสัตว์ในเล็บสัตว์ตโอปปปาติกะด้วยอธิปัญญาสิกขา และกำจัดความเป็นสัตว์ผีสัตวเทวดาไปตามลำดับจนหมดสิ้นความเป็นสัตว์พ้นสังโยชนสิบก็บริบูรณ์ด้วยสัญญาเวสยิตานิโรธสิ้นอวิชชาตเสวะสมบูรณ์เป็นที่สุดได้เพราะเป็นผู้มีปัญญาที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นกายของสัตว์ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงในงเล็บสตตวาส9อย่างบริบูรณ์ และทั้งได้ปฏิบัติในขณะมีวิญญาณถีตินั่นคือมีวิญญาณปรากฏสัมผัสอยู่จริงในตนณบัดนั้นจึงเป็นการสัมผัสวิโมก8ด้วยกายอยู่แท้สามารถปฏิบัติกาหนดหมายรู้ในวงเล็บสัญญาภาวะรูปและภาวะนามและภาวะ อ, อื่นอื่นอีกในความเป็นรูปหรือนามได้อย่างสมมาทิฐิทั้งรูป28เป็นต้น และปฏิบัติในขณะมีวิญญาณเกิดอยู่หลัดหลดมีอยู่ทนโท้ตั้งอยู่ในปัจจุบันด้วยการสัมผัสสามให้เห็นความเป็นกายอันปรากฏอยู่จริงให้เห็นกายวิญญาณตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าวิญญาณทีติเจ็ดและศึกษาฝึกฝนด้วยสัญญาที่สัมมาทิฐินั่นคือ ใช้การกำหนดหมายอ่านรู้เรียนรู้และปฏิบัติกำจัดความเป็นสัตว์นั้นๆให้สิ้นไปพ้นสังโยช์ได้เป็นลำดับลาดับต้องมีกายให้สัมผัสต้องใช้สัญญากำหนดหมายรู้กายกับสัญญานี้คือองค์ประกอบหลักสำคัญ2 อ, อย่าง ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องสัมมาทิฏฐิจริงๆในความเป็นกายกับความเป็นสัญญาว่ามันคืออะไรและอย่างไรกันแท้จึงจะปฏิบัติได้เป็นสัมมาปฏิบัติมีมรรคผลกันจริงซึ่งต้องศึกษาความเป็นรูปและเป็นนามอย่างถูกต้องเป็นสําคัญให้สมบูรณ์รูปคืออะไรนามคืออะไรตอบกันชัดๆเฉพาะปริเชตในองเล็บ Contact หนึ่งเล็บ o n t แท t ที่กำหนดกรอบแห่งการเรียนรู้ปรมัมญาธรรมได้แก่จิต89เจตสิก52รูป28เป็นต้นโดยเฉพาะที่เรากำลังหมายถึงก็คือคำว่ากายนี่เองที่เป็นองค์ประกอบของรูปกับนามที่ปรุงแต่งกันอยู่ขณะนี้ทนโทษและอยู่ในปริเฉตที่เรากำลัง เผชิญสัมผัสอยู่ต้องๆหลัดๆขณะปัจจุบันนี้มีของจริงยืนยันและในปริเชดนี้มีรูปกับนามซึ่งล้วนเป็นของเราในใจเราเองอยู่บัดเดี๋ยวนี้รูปก็คือภาวะที่ถูกรู้เป็นตัวถูกกระทำหรือเป็นผู้ไม่อยู่ในฐานะทำหน้าที่รู้กําลังอยู่ในฐานะผู้ถูกรู้ เรียกกันว่าภาวะวิสัยวัตถุวิสัยในเชิงวยากรเป็นกรรมของกริยาซึ่งเป็นออบเจกตีออบเจกตีในภาวะที่ถูกรู้ก็จะต้องมีนมามธรรมคือจิตมโนวิญญาณของเราเองนั่นเองเป็นตัวผู้รู้หรือทำหน้าที่เข้าไปรู้ ตัวผู้รู้นี้ก็คือตัวเราเองซึ่งหมายถึงวิปัสนาญาณของเราเองเรียกกันว่าอัตวิสัยจิตวิสัยในเชิงไวยากรณ์เป็นประธานของกิริยาซึ่งเป็น subjective ที่มันทำให้คนงงสับสนสงสัยก็คือคำว่าอัตวิสัยหรือจิตวิสัย subjective นี่เองที่คนไปหลงว่า ก็เมื่อกล่าวว่าอัตวิสัยมันก็ต้องหมายถึงตนเองแล้วจะไปหมายถึงผู้ถูกรู้ซึ่งมันก็ต้องหมายถึงผู้อื่นอันไม่ใช่ตนเองในวงเล็บอั ต, ตานอนเป็นอย่างนั้นได้อย่างไงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นได้ไงเป็นอย่างนั้นได้ไงเพราะการจะมองเห็นมันก็ต้อง มองเห็นผู้อื่นสิ่งอื่นนอกตัวเราเองสิจะมามองเห็นตัวเองได้ยังไงนี่แหละคือหนึ่งความไม่เข้าใจปรมามัตธรรมอันเป็นเรื่องของจิตมโนวิญญาณยังเข้าไม่ถึงอภิธรรมที่เกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานจึงยังไม่รู้จริงในภาวะอัตตา 2. ไม่มองเข้าหาตนเอง มัวแต่เข้าใจว่าอัตวิสัยคือผู้อื่นนนนมีตัวตนโดยเฉพาะยังไปหลงมองออกนอกภาวะจิตตนเองไม่ได้เข้ามามองจิตตนเองไม่รู้ว่าหมายถึงจิตตนเองที่เป็นจิ ต, ตวิสัยแล้วตอนนี้ตัวที่ถูกรู้ระบุชัดๆก็คือจิตที่เป็นตัวกิเลสขององค์ประชุมกันอยู่ในรูปกับนาม ของตนเองคือกายของตนเองแท้ๆขณะนี้ที่มีความที่มีทั้งความเป็นรูปและเป็นนามประชุมกันอยู่ที่เรียกว่ากายผู้ที่ยังมิจฉาทิฏฐิว่ากายคือร่างใหน่งเล็บสรีระซึ่งหมายเอาเฉพาะแต่รูปภายนอกซัมมินำไปเข้าใจว่าอัตวิสัยตอนนี้ก็ยังหลงผิดไป หมายเอาว่าเป็นตัวตนบุคคลอื่นเขาที่ยังเป็นตัวตนของความเป็นผู้อื่นคนอื่นยังไปหลงว่าเป็นคนเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นคนเป็นแท่งก้อนของดินน้ำไฟลมข้างนอกเป็นกายอยู่ซึ่งไม่ใช่ใจของเราแต่ยังมัวไปหลงเอาตัวตนที่เป็นร่างเนื้เล็บสรีระ ของคนข้างนอกใจอยู่แต่จริงๆความรู้ขั้นนี้มันหมายเอาภาวะของจิตวิสัยของเราเองแล้วก็ยังไม่รู้คนผู้นี้ย่อมไม่เฉลียวใจเลยว่าตอนนี้ความเป็นอัตวิสัยก็คือกายที่เป็นจิตมโนวิญญาณของตนเองตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกเล่ม16 ข้อ230กายจึงคือจิตมโนวิญญาณที่เป็นธาตุรู้ของคนและเป็นตัวผู้ทำหน้าที่รู้เองเป็นตัวผู้เข้าไปรู้เสียเองเรียกกันว่าอั ต, ตวิสัยจิ ต, ตวิสัยในเชิงวยากรเป็นประธานของประโยคซึ่งเป็น subjective และเรากำลังคือตัวประธานเองเป็นนามส่วนรูปในตอนนี้คือภาวะที่ถูกรู้ก็เป็นจิตมโนวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานขั้นปรมัท ธ, ธรรมที่ลึกลับเล็กละเอียดรู้จักยากกว่าพลังงานทางฟิสิกส์ทางเคมีที่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ทั่วไปรู้จักและสามารถจัดการได้และ และเราก็กำลังมีวิปัสสนาญาณในวงเล็บวิชารู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวตนของตนในวงเล็บอัตตาอยู่ทนโทษขณะนี้รู้ตัวตนของกิเลสนั่นเองจิตมโนวิญญาณที่คือนามนี้จึงเป็นพลังงานที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ยากยิ่งกว่าพลังงานทางวิสิก ทางเคมีที่โลกแห่งวิทยาศาสตร์รู้ได้กันอยู่ทั่วไปและที่เป็นในยะสำคัญซึ่งเป็นภาวะยอกย้อนหมุนรอบเชิงซ้อนเป็นขั้นสูงขึ้นไปดูมีในยะแย้งกันอยู่ในวงเล็บปฏินิสรณะประเด็นนี้แหละที่ชื่อว่าขั้นประมัต ธ, ธรรมที่เข้าขั้นจิตเจตสิกรูปนิพาน จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ยากยิ่งกว่าพลังงานทางฟิสิกส์ทางเคมีที่โลกแห่งวิทยาศาสตร์รู้ได้กันทั่วไปนั่นก็คือความเป็นนามนี่แหละเป็นจิตมโน ว, วิญญาณของเราเองแท้แต่ตอนนี้เป็นภาวะที่ถูกรู้จึงชื่อว่ารูปตอนนี้สำหรับภาวะนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะของผู้รู้ แต่ให้ภาวะอื่นเข้ามารู้ซึ่งทั้งสองภาวะล้วนคือจิตมโนวิญญาณของเราเองทั้งสิ้นนามตอนนี้จึงได้ ก, กลายมาเป็นภาวะอยู่ในสถานะความเป็นรูปเป็นออบเจ t i ีฟในวงเล็บภาวะวิสัยวัตถุวิสัยให้นามของเราเองนั่นแหละที่เป็นอีกภาวะหนึ่งเข้าไปรู้เป็น u ับเจ t i ีฟ แนวเล็บอัตวิสัยจิตวิสัยตอนนี้จึงอยู่ในภาวะของตอนเองแนวงเล็บอัตตาทั้งรูปทั้งนามในตนเองซึ่งล้วนหมายถึงจิตเจตสิกรูปแนวเล็บปรมัตาทั้งนั้นปรมัตทธรรมขั้นนี้จึงอยู่ในฐานะทั้งรูปและทั้งนามของเราเองทั้งสองภาวะนี่แหละกายที่ชื่อว่านามรูป และตอนนี้เจตนาเรากำหนดเอา น, นำมาทำแท้ๆซึ่งมีทั้งภาวะของเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกข้อเล่ม16ข้อ14แต่ตอนนี้สัญญากำลังกำหนดรูปแต่ตอนนี้สัญญากาลังกาหนดรู้รูปซึ่งคือจิต มนูวิญญาณแท้ทำหน้าที่รู้แต่ไม่ใช่รู้ในฐานะปัญญารู้ขณะนี้อยู่ในฐานะแค่สัญญาเท่านั้นทำหน้าที่กำหนดรู้เวทนาสัญญาทำหน้าที่กำหนดรู้เวทนาเจตนาผัสสะมโนสิการของตนอยู่นั่นก็คือนามที่เป็นอารมณ์ หรือความรู้สึกแนวงเล็บเวทนาอยู่บ้างและเป็นความปรารถนาความต้องการแนวงเล็บเจตนาอยู่บ้างในขณะมีผัสสะขณะกำลังมีมนสิการอยู่คือกำลังมีการทำใจในใจของตนเองซึ่งก็คือนามธรรมโดยมีสัญญาเป็นนามแต่เวทนาเจตนาเป็นรูป ให้สัญญาทำหน้าที่นามก็คือจิตตนเองเข้ามารู้จิตตนเองตอนนี้จิตส่วนหนึ่งให้ภาวะอีกภาวะหนึ่งเข้ามารู้ภาวะนามของเรานามนี้กลายเป็นตัวถูกรู้อยู่ในฐานะออบเจกตเพราะแปรฐานะเป็นภาววิสัยวัตถุวิสัยไปแล้วจึงชื่อว่ารูปแม้จะเป็น มโนวิญญาณแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้รู้ที่ทำหน้าที่รู้ภาวะอื่นไม่ได้ทำหน้าที่ประธานในวงเล็บ subjective ตอนนี้กำลังทำหน้าที่ที่ตอนนี้กาลังทาหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลังงานศัก์ในวงเล็บ static ที่มี potential energy แต่ก็ยังเป็นจิตวิสัยยังเป็นอัตวิสัย ทว่าตอนนี้ฐานะไม่ได้อยู่ในภาวะพลังงานจนในวงเล็บดนามิก Dynamic, ที่เป็นไค e นิกเอนยี่ทั้งรูปทั้งนามคือจิตมโนวิญญาณของเราเองทั้งสิ้นที่กำลังมีมโนสิกการอยู่หายงงหายสับสนหรือยังเมื่อผู้ใดมีปัญญาขั้นวิปัสนาญาณหรือมีวิชาแปดข้อหนึ่ง ไปกกรู้กุตระธมของพระพุทธเจ้าผู้นั้นผู้นั้นก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะแห่งรูปและนามทั้งหลายดังสาธยายมานี้ได้ชัดเจนไปตามลําดับโล ก, กุตรธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าคำเพีราทุตสาธุรณุโธาสันตาปนิตาอตกาวจารานิปุณานั้นจะต้อง ปัณฑิตเวทนิยาเท่านั้นที่รู้จริงรู้แจ้งได้สังคมมนุษย์มีรูปกับนามนี้แหละที่เป็นตัวการยุ่งที่สุดร่วมกันสร้างเรื่องก่อเรื่องถ้าเข้าใจคําต่อไปนี้ชัดก็จะเข้าใจรูปกับนามละเอียดละ อ, อขึ้นได้แก่รูปรูปรูปนามรูปะกายนามกาย นามรูปหรือเลยสุดไปอีกบัญญัติคำเรียกว่านามนามก็ยังได้คําแรกรูปนั้นมีความหมายสองในยะในยะหนึ่งรูปคือภาวะที่ถูกรู้ซึ่งภาวะนั้นเป็นภายนอกตัวสัตว์โดยเฉพาะภายนอกตัวคนผู้ที่เกี่ยวกับรูปนั้น ภาวะนั้นจึงหนึ่งคือมหาภูต ร, รูปสี่ที่เป็นอุตุนิยามแท้แท้ซึ่งเป็นรูปรูปเต็มสภาพ 2. ภาวะนั้นเป็นชีวะระดับผีชนิยามที่เป็นรูปรูปนอกตัวเราก็ได้เป็นตัวเราก็ได้สาภาวะนั้นเป็นกรรมกิริยาของสัตว์และคน กรรมของตนถูกรู้ขั้นกรรมนิยามสี่ภาวะนั้นเป็นภาษาทรูปห้าที่ไม่ทำหน้าที่ตามวิสัยรูปห้าหรือโกจระห้าแต่ก็ยังทรงอยู่เป็นสภาพมีอยู่คือธรรมนิยามในวงเล็บฉบับ295 <c oughs> ในวงเล็บจบฉบับที่295เรากํารากำลังสาทยายมาถึงความเป็นรูปกับนามที่มีอยู่ในโลก รวมกันอยู่ในองเล็บกายและปรุงแต่งกันอยู่ในวงเล็บสังขารทั้งหลายให้ชัดเจนครบสภาพต่างๆเช่นสภาพของรูปรูปรูปนามรูปกายนามกายนามรูปนั้นคือภาวะอย่างไรหากเราไม่รู้ในองเล็บอวิชชาหรือรู้แต่รู้ผิดผิด ยังรู้ไม่จริงหรือยังมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วจะภาคเพียนไปทำไมกันเพียนไปปฏิบัติไปก็เสียเวลาเปล่าซึ่งแน่นอนว่าถ้ารู้ผิดผิดย่อมไม่บรรลุธรรมหรือแม้จะหลงว่าได้บรรลุก็เป็นผลที่ผิดไปจากพุทธโดยเฉพาะผิดโลกุตรธรรมส่วนผู้รู้ที่จะสามารถปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโลกุตระได้นั้น จะต้องมีสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงเสียก่อนแม้จะสัมมาทิฏฐิแล้วก็ยังต้องปฏิบัติให้สัมมาปฏิบัติอีกจึงจะบรรลุผลเป็นโลกุตระสัจจะถ้าแม้นผู้ใดไม่มีสัมมาทิฏฐิแท้จริงมาก่อนโดยเฉพาะไม่มีสัมมาทิฏฐิส0ตามพระวจนะในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ258 ในองเล็บพระตาปิดกเล่ม14ข้อ257ผู้นั้นแม้จะปฏิบัติให้หนักให้เก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถบรรลุโลกุตรธรรมได้เป็นอันขาดผู้ใดไม่มีสัมมาทิฐิส0มาก่อนผู้นั้นจะยืนยันว่าตนบรรลุผลแค่ไหนอย่างไรก็เป็นแค่หลงว่าตนบรรลุมิจฉาผลเท่านั้น ก็อย่างที่เห็นเห็นเป็นเป็นกันอยู่ในวงการพุทธศาสนาทุกวันนี้ลองไปสอบถามดูเถอะว่ารู้สัมมาทิฏฐิสิบข้อนี้อย่างไรแค่ไหนถ้าไม่เข้าใจอย่างดีในสัมมาทิฏฐิสิบมกรถึงจะปฏิบัติอย่างอุดกฤดแค่ไหนก็ไม่บรรลุสัมมาผลแต่อย่างใดซึ่งในพุทธศาสนาทุกวันนี้มีผู้หลงกันบรรลุมรรคผล แต่แท้จริงก็แค่บรรลุมิจฉาผลกันแทบทั้งนั้นเพราะล้วนอย่างมิจฉาเพราะล้วนยังมีมิจฉาทิฐิสิบกันอยู่แทบทั้งนั้นตั้งแต่สัมมาทิฐิข้อหนึ่งมีการทำทานกันคลึกโครมแต่แทบทุกวัดทุกสถานกุสลล้วนอย่างทำทานแล้วไม่มีผลโล ก, กุตระกันแทบทั้งนั้นในองเล็บนัตถิทินัง ยิ่งทำทานก็ยิ่งมีแต่ตั้งจิตโลภใส่ตนกันให้ยิ่งยิ่งศึกษากันให้ชัดชและตรวจสอบให้ดีๆเถิดว่ามีสัมมาทิฏฐิสิบมาก่อนหรือไม่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิก่อนถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสิบก่อนก็ไม่ต้องไปพิจารณาอื่นเลยผู้นั้นไม่มีสัมมาผลแน่ที่อวดอ้างกัน หรือยืนยันกันว่าเป็นการบรรลุผลนั้นล้วนเป็นมิจฉาผลทั้งสิ้นขอยืนยันด้วยใจเมตตาจริงๆไม่ใช่ดูถูกเลยและมิจฉาผลนั้นมีหลากหลายชนิดมากมายแบบอย่างหรือเกินในโลกแต่ละล้วนนั้นไม่ใช่โล ก, กธรุตธรรมเลยโล ก, กุตธ ร, รรมของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคำเพียรา ทุตสาธุรนุโภธาสันตาปนิตาอัตกาวจารานิปุณานั้นจะต้องบันดิตเวทเนียเท่านั้นที่รู้จริงรู้แจ้งได้ในมิจฉาทิฏฐิสิบนั้นชาวพุ้ทั้งหลายที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิกันก็เพราะยังเข้าใจในมิจฉาทิฏฐิข้อ9คือสัตตาอปปัตติกาไม่ได้หรือยังเข้าใจผิด ยังไม่ท่วนรอบในความเป็นสัตว์โอปปปาติกะจึงปฏิบัติกับจิตเจตสิกรูปซึ่งได้แก่จิตแปดสิบเก้าเจตสิก52รูป28ไม่เป็นหรือไม่ถูกต้องจึงไม่มีหวังจะบรรลุนิพพานแน่นอนผู้จะเริ่มปฏิบัติเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรมจะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นรูปและเป็นนาม จึงจะสามารถกำหนดรู้ซึ่งต้องมีการใช้สัญญาในวงเล็บการกำหนดรู้เป็นหรือกำหนดรู้ได้ถูกสภาวธรรมต่างๆสังคมมนุษย์มีรูปกับนามนี้แหละที่เป็นตัวการยุ่งที่สุดร่วมกันสร้างเรื่องก่อเรื่องมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยขึ้นมาในโลก ถ้าศึกษาเข้าใจคาว่ารูปกับนามให้ดีเข้าใจได้ถูกต้องชัดเจนก็จะสามารถกาหนดรู้รูป ร, ร, ปรูป ร, รูปรานามรูปกายนามกายนาม ร, รูปโดยเฉพาะคำว่ากายได้ถูกต้องตรงสภาวะของธรรมต่างๆทั้งหลายถ้าไม่มีภาวะที่เรียกว่ารูปกับภาวะที่เรียกว่านาม หากไม่มีสองภาวะนี้ในวงเล็บรูปกับน้ำมารวมกันซึ่งเรียกว่ากายหรือไม่มาประกอบกันแล้วเรียกว่ากายหรือไม่มาประชุมกันแล้วเรียกว่ากายขึ้นมาเป็นสภาวะให้เจ้าของรูปกับน้ำใช้เรียนรู้นั่นคือกายก็ไม่มีภาวะสำคัญให้เรียนรู้เพราะ ไม่มีรูปกับนามประชุมกันให้เจ้าตัวได้เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสคำว่ากายขอยืนยันนะว่าไม่ใช่แค่ร่างกายใน่งเล็บสรีระหรือแค่องค์ประกอบของดินน้ำไฟลมเท่านั้นแต่ต้องมีนามร่วมอยู่ด้วยประชุมอยู่ด้วยจึงจะชื่อว่ากายถ้ามีแค่วัตถุเท่านั้นหรือมหาภูตรูปสี่ เท่านั้นหรือมหาพูดสี่เท่านั้นได้แก่ดินน้ำไฟลมและหรืออากาศอีกธาตุหนึ่งเป็นห้าก็ตามนั่นไม่ใช่กายกายนั้นต้องประกอบไปด้วยรูปกับนามและไม่เน้นที่รูปเป็นจุดปรมัดแต่จะเน้นที่นามเป็นจุดประมัตธรรมคำว่ากายนี้ จะมีพร้อมทั้งรูปและนามแต่ถือเอานามเป็นจุดประมัติชัดเจนยิ่งเช่นพจนานุกรมบาลีไทยทุกฉบับที่ศึกษากันอยู่ทั่วไปล้วนให้ความหมายว่ากายคือหมวดแห่งเจตสิกธรรมได้แก่เวทนาสัญญาและสังขารหรือในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ230ิ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ตรงกันอีกว่าตถาคตเรียกกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี้ว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างในวงเล็บยัญจะโขอเอตังพิกเววุจติจิตตังอิติปิมโนโ อ, อิติปิวิญญาณังอิติปิ นี้คือพระวจนะที่ทรงยืนยันชัดเจนว่าในความเป็นกายนั้นพระองค์ให้ยึดเอานามเป็นจุดประมติซึ่งในสูตรนี้คําตรัสของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงกายที่เป็นองค์ประชุมของรูปกับนามและในและพระบรมศาสดาก็ทรงยืนยันว่ากายนั้นคือจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้าง ในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม1 6บหกข้อ 230. และความเป็นนามที่จะเกิดขึ้นให้เราศึกษาได้นั้นก็ต้องมีองค์ประชุมของรูปแห่งสัตว์หรือกายของสัตว์อันมีภาษาธรูปในวงเล็บภาวะของรูปส่วนที่เป็นประสาทกับโครจรรูปในวงเล็บภาวะของสัตว์ที่ออกสแสวงหาอาหารภาวะของสัตว์ส่วนที่ทาหน้าที่ ตนให้ตนยังชีวะต่อไปการมีกิริยาขึ้นมาให้แก่ความเป็นชีพของตนเพราะในสัตว์ที่กายยังไม่แตกตายในอุล็บกายยะสะเพทาก็จะต้องทําหน้าที่ดําเนินการยังชีพให้ชีวิตนี้ชื่อว่าโคจระเมื่อภาวะของภาษาทรูปกับโคจารูปทําหน้าที่ของตนขึ้นมา ซึ่งเกิดผัสสะในองเล็บสัมผัสกันขึ้นเรียกว่าผัสสะสามจึงเกิดจิตมโนโรหรือวิญญาณดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นเกิดวิญญาณเรียกว่าผัสสะสามเป็นต้นในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่มสิบหกข้อหนึ่ง้อยหกสิบเอ็ดซึ่งก็คือ รูป28มีตั้งแต่มหาภูตสีในวงเล็บดินน้ำไฟลมกับนามรูปต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอุ ป, ปาทายรูป24ในวงเล็บรูปที่อาศัยมหาภูตารูปสให้แก่ผู้ปฏิบัติในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ14ได้ศึกษา ส่วนหนึ่งภายนอกคือองค์ประชุมของดินน้ำไฟลมในความเป็นกายภาคนี้ส่วนนี้ย่อมเจริญย่อมเสื่อมด้วยมีการเกิดการตายปรากฏให้เห็นได้ง่ายแม้แต่ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็เห็นไ ด, นนด้และเบื่อหน่ายคลายกําเนิดและเบื่อหน่ายคลายกําหนัดหลุดพ้นความเป็นกายเน่วเล็บศรีระในภาค หรือส่วนภายนอกนี้ได้แต่ส่วนที่เป็นองค์ประชุมอีกส่วนหนึ่งในความเป็นกายคือความเป็นนามนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าและใส่ใจศึกษากระทั่งสัมมาทิฐิแล้วมีสัมมาปฏิบัติจริงจะไม่สามารถเบื่อหน่ายคลายกำหนดหรือหลุดพ้นความเป็นกายในส่วนที่เป็นนามหรือจิตมโนวิญญาณนี้ได้เลย <c oughs> ดังนั้ น, พ ร, พ, น, น, น, นพระพุทธเจ้าจึงเน้นสำคัญในความเป็นนามที่เป็นภายในส่วนที่เป็นจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างอันประชุมอยู่ในความเป็นกายและพระองค์จึงตรัสชี้อย่างสำคัญในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ230ว่ากายส่วนนี้แหละ ถ้าปุถุชนไม่ได้ศึกษาธรรมของพระองค์จนกระทั่งสัมมาทิฐิแล้วสัมมาปฏิบัติก็ไม่สามารถเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหรือหลุดพ้นความเป็นจิตเป็นมโนเป็นวิญญาณได้เลยเพราะปุถุชนยังมีตัณหามีทิฏฐิว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณนั้นเป็นของเราในวงเล็บมะมะเป็นเราในวงเล็บอัตตา กายที่พระศาสดาทรงเน้นนี้จึงเป็นการชี้เจาะลงไปถึงจิตมโนวิญญาณว่าคือจุดสำคัญด้วยเหตุว่าเป็นองค์ประชุมของรูปด้วยเหตุว่าเป็นองค์ประชุมอยู่ของนามกับรูปร่วมกันในความเป็นกาย กายนั้นสำคัญที่จิตมโนวิญญาณชนี้เองถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมหรืออากาศถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมและหรืออากาศประกอบอยู่ด้วยในภาวะใดภาวะนั้นถ้าเป็นเฉพาะธาตุรูกกก้ก็ไม่ใช่กายอีกนั่นแหละก็ไม่ใช่กายอีกแหละ เป็นแค่นามล้วนๆ น, นามลว้ลวนนั้นถ้าแม้ไม่มีรูปร่วมประกอบก็คือไม่มีกายเพราะกายคือองค์รวมของรูปที่ประกอบกับนามเมื่อขาดรูปเสียแล้วสภาพกายก็ไม่มีภาวะที่ไม่มีกายเช่นนี้เป็นต้นว่าคนที่กายแตกตายในวงเล็บกายยะสะเพทา หลังจากคนที่ตายกายแตกไปแล้วในวงเล็บปรัมมารณาก็มีแต่นามไม่มีรูปร่วมประกอบอยู่ด้วยเลยมหาภูต ร, รูปสี่ไม่มีแน่ภาษาภูตา ร, รูปห้าของคนตายกายแตกนี้ก็ไม่มีแน่ยิ่งกว่าแน่อีกไม่ว่ารูปที่เห็นทางทวารตารูปในวงเล็บพิเ u r ์อย่างนี้ก็ไม่มี เพราะกายแตกตายในองเล็บกายสสะเพทาแล้วไม่มีตาแล้วจึงไม่มีตาที่จะเห็นภาพหรือเห็นรูปใดๆและไม่ว่าจะเป็นรูปซึ่งอยู่ในภาวะที่ถูกรู้ในองเล็บอ็อกเช็ตีฟภาวะของผู้ตายแบบไม่มีร่างในองเล็บศ ร, รีระไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมแล้วชนิดที่กายแตกตายในวงเล็บกายสสะเพทา ก็ไม่สามารถมีรูปใดให้เห็นนอกจากนามภาวะที่กายแตกตายไปแล้วเมื่อตกนรกจึงมีแต่ความรู้สึกทุกจากการตกนรกที่เป็นนามธรรมเท่านั้นที่ทรมานทรรกรรมตามวิบากบาปที่หนักเบาเท่าที่ตนมีนั้น น, น, น, นโดยไม่มีรูปใดๆให้เห็นในองเลปสติได้เลย หรือหากจะมีความรู้สึกสุขจากการมีสวรรค์ก็เยี่ยงเดียวกันก็หลงสุขเทจที่เป็นเพียงความจำได้เท่านั้นโดยไม่มีรูปใดๆไม่มีรูปปรธรรมใดๆเลยในภาวะที่มีแต่นามธรรมที่ปราศจากกายดังนั้นนามธรรมของใครก็ตามที่กายแตกตายไปแล้ว จึงยังมีกิเลสยังมีวิบากบาปก็ตกนรกแต่เพียงนามนั่นแหละคือสัตว์นรกแท้ๆที่ตายไปแล้วตกนรก <c oughs> นั่นแหละคือสัตว์นรกแท้ๆที่ตายไปแล้วตกนรกไม่สามารถรู้เห็นอะไรอื่นเลยนอกจากทุกข์อยู่ในอารมณ์นรกที่ตนตกอย่างเดียว ทรมานอยู่จนกว่าจะหมดสิ้นวิบากของแต่ละสัตว์ใดที่ทำวิบากนั้ น, น, นไว้ซึ่งนรกนั้นส่วนใหญ่จะตกกันอยู่นา น, นานกันทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของส่วนตนหรือเป็นภาวะแห่งความเป็นอัตตาแท้ๆที่ตนเองก็ช่วยตนไม่ได้เพราะไม่มีวิชาในความเป็นอัตตาและไม่มีใครเลยช่วยได้ด้วยสัตว์ที่ตกนรก จึงไม่พบใครเลยอยู่แต่ในพบนรกส่วนตนเป็นนรกสดๆแท้ๆตกอยู่กับความรู้สึกทุกทรมานหรือนรกนั้นๆจนกว่าจะสิ้นอำนาจแห่งรอบของวิบากเท่าที่ทำเท่าที่ได้ทำไว้จริงซึ่งกรรมใครทำแล้วก็เป็นของตนในองเล็บกรรมสกะททำแล้วไม่เอาไม่ได้ แบ่งใครไม่ได um. ้ไม่มีหายไม่มีตกไม่มีหายไม่มีหกตกหล่นที่ไหนไม่ละเหยไม่ละเหิดไม่ละเหยไม่ละเหิดทุกคนต้องเป็นผู้รับกรรมที่ตนทาทั้งนั้นทุกคนทำแล้วไม่เอาไม่ได้แบ่งใครไม่ได้ไม่มีหายไม่มีหกตกหล่นที่ไหนไม่ละเหยไม่ระเหิด ทุกคนต้องเป็นผู้รับกรรมที่ตนทำทั้งสิ้นในวงเล็บกรรมทายาทบาปร้ายแรงก็แรงมากไอ้ที่เล่าขานกันเป็นนิยายว่ามีพญายมมีนายทวารมีนายสุวรรณสุวรรณหรือมีเจ้าหน้าที่มีเมืองนรกปกครองกันเป็นนิทานมากมายนั้นล้วนเป็นอุปทานที่แต่ละคนยึดจากเชื่อมาบ้างคนเดาเอาบ้าง จากหลงมาสารพัด ท, ที่ได้รับรู้รับฟังมาบ้างจากตนหลงสร้างขึ้นมาเองบ้างคนอื่นสร้างบ้างเป็นเหตุเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยนิยายที่ว่านี้จึงไม่ใช่ความจริงโดยตัวมันเองแต่มันเป็นภาวะแท้มันเป็นแต่เป็นแต่มันเป็นภาวะแท้ที่สุดของแต่ละคนที่เกิดที่มี ในผู้มีอุปทานนั้นนั้นจริงที่แต่ละคนมีอยู่ในจิตระดับบนบ้างในวงเล็บคอนเชียตจิตระดับกลางบ้างในวงเล็บซับคอนเชียตและจิตระดับลึกก้นบึ้งของจิตสุดๆในวงเล็บอันคอนเชียตนั่นแหละที่เป็นอนุสัยจริงๆเป็นตัวพาตกนรกนรกนั้นมีจริงแน่แน สำหรับผู้ยังไม่หลุดพ้นอาการจริงนั้นและทุกแท้อาการจริงนั่นแหละทุกแท้ที่เป็นความรู้สึกสดๆทรมานกว่าที่เล่าและคิดเดากันขึ้นเป็นเรื่องนิยายกันหลายนารกนั้นมีจริงแน่ๆสำหรับผู้ยังไม่หลุดพ้นอาการจริงนั้นแหละทุกแท้ ที่เป็นความรู้สึกสดสดทรมานกว่าที่เล่าและคิดเดากันขึ้นเป็นเรื่องนิยายกันหลายเท่านัก <c oughs> <c oughs> เพราะขณะตกนรกนั้นมัน ม, yeah. <c oughs> มีเฉพาะนามธาตุซึ่งเป็นแต่นามนามในตนของตนเท่านั้นไม่มีรูปกวนเลยไม่มีรูปประชุมอยู่ด้วยเลยจนกว่าพลังแห่งวิบากอัตภาพของตนจะเพาไปเป็นรอ บ, รอบ จะได้วาระเกิดเปลี่ยนสถานะจากสัตว์นรกไปเป็นอื่นในขณะที่เป็นสัตว์นรกนั้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดเช่นรูปในแบบที่เห็นทางทวารตาในรูป u r e แบบนี้ก็ไม่มีเห็นอะไรไม่ได้สัตว์นรกนั้นก็ไม่มีตาแน่ๆอยู่แล้วแต่คนทั้งหลายมากกว่ามากที่พากันเข้าใจผิดว่า สัตว์นรกก็สามารถเห็นภาพเห็นรูปได้เหมือนคนปกติที่มีตาแถมภาคกลงผิดไปใหญ่ถึงขนาดว่าสัตว์นรกนั้นก็มีชีวิตคลุกครีชีวิตปนเปนอยู่กับสัตว์อื่นๆเหมือนสังคมคนในโลกมนุษย์นี้ยังไงอย่างนั้นกันทีเดียวซึ่งที่จริงแล้วสัตว์นรกเป็นสัตว์ที่มีเพียงนามธรรมาทเท่านั้นไม่มีรูปธรรมเลย เพราะเมื่อเพราะเมื่อกายแตกตายในย่งเล็บกายสะเพทาไปย่อมไม่มีตาอันเป็นองค์ประกอบของมหาภูตรูปสีเลยคือดินน้ำไฟลมและไม่มีภาษาทรูปหคือตาหูจมูกลิ้นกายที่จะเห็นสภาพหรือเห็นรูปใดๆจากตาที่จะได้ยินเสียงใดๆจากหู ที่จะได้กลิ่นใดๆจากจมูกที่จะได้รสใดๆจากลิ้นที่จะได้สัมผัสภายนอกใดๆจากกายเด็ดขาดแล้วแน่รูปที่จะเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้ผดทัพพารณมเหมือนสัตว์ที่มีตาแนวเล็บหูจมูกลิ้นกายที่เต็มพร้อมเหมือนสัตว์ที่มีชีวิตเป็นๆนั้นเป็นไปไม่ได้แน่รูปในแบบที่หนึ่ง นี้จึงไม่มีเด็ดขาดหรือแม้จะเป็นรูปที่อยู่ในแบบที่สองคือแบบของภาวะถูกรู้เนื้งเล็บออฟ e รูปแบบนี้ก็ไม่มีในความเป็นสัตว์นรกซึ่งในขณะที่เป็นสัตว์นรกนั้นเป็นแต่สัตว์นรกจริงๆย่อมไม่มีทั้งสุขเวทนาทั้งอทุกขม ส, สุขเวทนาเพราะ กำลังเป็นภาวะของผู้เสวยทุกเขเวทนาเท่านั้นซึ่งเป็นผู้กำลังจมอยู่ในวิบากบาในสภาพที่ไม่มีกายเพราะตายแบบไม่มีร่างเนวงเล็บสรีระไม่มีธาตุดินธาตน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วกายแตกตายเนวงเล็บกายสสะเพทาแล้วก็ไม่สามารถมีรูปใดให้เห็นให้รู้เว้นแต่นามที่ตกนรกแต่เดียว อยู่ในสภาพนามเท่านั้นเสวยทุกขผู้ตกนรกนั้นจึงมีแต่ทุกขจะเป็นทุกน้อยหรือทุกมากถึงทุกทระมานยิ่งยั่วสุดๆก็เท่าที่ใครทํากรรมไว้จริงอย่างไรเท่าไหร่ก็เป็นนรกของผู้จมอยู่กับทุกข์ที่แต่ละคนต้องรับการทรมานนั้นเท่านั้นเพราะนั่นคือมรดกของเจ้าของกรรม ต้องรับวิบากของตนเป็นมรดกทางนามธรรมการชดใช้นี่ที่เป็นวิบากบาปของตนซึ่งตนเองทำด้วยตนเองแท้แท้มีเท่าไหร่ตนก็ต้องรับมรดกกรรมที่ตนทำของตนนั่นสิ ตนก็ต้องรับมรดกกรรมที่ตนทำเองของตนนั้นสิกรรมตนทำแล้วต้องรับไม่รับไม่ได้เพราะมันเป็นของตนจริงๆตนเป็นผู้ทํามันก็ตราลงไปเป็นของตนแท้ๆแล้วจะไปเบี้ยวว่าให้คนนั้นคนนี้เป็นของคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็นผู้ทําเขาจะเป็นผู้ได้กรรมที่ผู้อื่นทํานั้นยังไง ใครทำมันก็คนนั้นทำกรรมมันคือการกระทำใครกระทำผู้ที่กระทำก็ต้องเป็นผู้กระทำเป็นตนเองทำกิริยาของตนเองแล้วมันจะเป็นของผู้อื่นหรือแบ่งเอาการกระทำที่ตนทำแล้วเสร็จจบไปแล้วนั้นออกไปเป็นการกระทำของคนอื่นก็คนอื่นถ้าเขาทำมันก็ของเขาสิ มันจะยกให้กรรมหนึ่งเล็บการกระทําที่เราทําอาการกิริยาของเราซึ่งคนอื่นเขาก็ส่วนเขาถ้าเขาทําก็เป็นอาการกิริยาของคนนั้นใครจะบังอาจแบ่งกรรมแบ่งอาการกิริยาที่ใครทําแล้วแบ่งกิริยาที่คนอื่นเป็นก็เป็นกิริยาของคนอื่นแบ่งไปยังไง ช่วยคิดถึงความจริงนี้กันดีๆก็จะได้รู้ได้จริงๆสําหรับผู้ไม่โง่เกินไปมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยมันเป็นเรื่องตื้นๆง่ายๆใครจะเลเลิศเก่งกาจขนาดไหนก็ไม่สามารถมาบังอาจมาจัดการแก้กรรมหรือแบ่งกรรมของคนอื่นได้เป็นอันขาดกรรมคืออาการกิริยาที่ใครเขาทําของเขา จะเป็นกรรมกิริยาทางกายกรรมกิริยาทางวาจากรรมกิริยาทางใจก็ทั้งนั้นใครทํากรรมหรือกิริยานั้นมันก็คือของเขาที่เขาทําใครทําก็ของคนนั้นเป็นของคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดหรือใครจะอวดเก่งไปลบล้างเปลี่ยนแปลงกรรมคนอื่นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น จะให้น้อยลงหรือให้หมดไปจากของเขาที่เขาทำเองนั้นๆไม่ได้เด็ดขาดขอยืนยันคนที่อวดเก่งว่าแก้กรรมให้คนอื่นได้นั้นคือคนโง่ตัวจริงซึ่งโง่แค่เรื่องจริงง่ายๆแค่นี้เขายังไมไ่รู้ความจริงตื้นตื้นนี้ได้แล้วยังจะไปเชื่อเรื่องนามธรรมอื่นๆที่เป็นขั้นปรมามตธรรมอันเป็นเรื่องจิต เรื่องมโนเรื่องวิญญาณเรื่องมโนที่เป็นนามนธรรมแท้ๆซึ่งผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงจะต้องเป็นผู้สัมผัสความเป็นรูปนามนั้นๆด้วยตนเองจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์จริงๆเป็นนามนธรรมลึกซึ้งยิ่งในองเล็บคำภีรามันจะเป็นไปได้อย่างไร กรรมวิบากคือผลกรรมของตนที่ตนทำแล้วใครทำก็เป็นของคนนั้นและชดใช้หนี้บาปหนี้กรรมเองในวงเล็บหนี้บุญไม่มีใครจะบังอาจอวดดีมาแก้กรรมให้แก่ใครคนอื่นนั้นไม่มีทางเป็นไปได้และกรรมที่ทำแล้วสําเร เสร็จลงบาปอย่างไรบุญอย่างไรทําเสร็จก็เป็นอย่างนั้นที่ตนทำเสร็จไม่เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไม่ได้มันเสร็จแล้วอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นของตนผู้ทำํำอย่างโง่ไปถูกคนอวิชชาในวงเล็บโง่เท่ากับไม่รู้แจ้งในสัจธรรมที่สัมมาทิฏฐิ หลอกเอาง่ายๆเลยมันจะเป็นคนโง่หนักเพราะเรื่องง่ายๆแค่นี้เขายังไม่รู้ถ้าใครไปถูกคนโง่ที่ไม่รู้เรื่องง่ายๆแค่นี้หลอกได้คุณก็ถูกคนโง่แท้ๆหลอกเอาและคุณจะโง่หนักไปกว่าเขาขั้นไหนล่ะตรองดีๆไม่มีใครแบ่งบุญแบ่งบาปให้ใครได้เพราะมันเป็นเรื่องกรรม เรื่องอุทิศบุญอุทิศกุศลก็เหมือนกันบุญหรือกุศลนั้นบุญหรือกุศลมันก็เป็นกรรมคือการกระทารรที่ใครกระทารรก็ของเขาคนนั้นกรรมที่ใครทำจะเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นของตนทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากรรมสกกะแปลว่ากรรมเป็นของของตน ตนทำแล้วตนก็ต้องเป็นทายาทได้รับสมบัติที่ตนทําเองเรียกว่ากรรมทายาทกรรมทายาทยาอวดดีอวดเก่งเกินพระพุทธเจ้ากันนักพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสรู้ได้แค่ว่ากรรมเป็นของของตนหนึ่งเล็บกรรมสกะตนเป็นทายาทของกรรมของตนหนึ่งเล็บ กรรมทาญาตกรรมพาตนเกิดพาตนเป็นในวงเล็บกรรมโยนิกรรมคือเผ่าพัานธุ์ของตนในองเล็บกรรมพันธุเป็นด NA ของตนของใครก็ของมันกรรมที่เป็นกรรมเป็นที่พึ่งของตนในวงเล็บกรมมกรรมในวงเล็บกรรมมปฏิสารณะนะแล้วคุณเป็นใครที่รู้เกินผิดเพี้ยนไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้า เรื่องกรรมก็เป็นเรื่องเบื้องต้นที่จะต้องเรียนรู้ก่อนยิ่งเรื่องบุญยิ่งเป็นเรื่องสูงส่งสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธวันนี้เข้าใจผิดไปไกลสุดกูเพราะบุญไม่ใช่กุศลธรรมเพราะบุญไม่ใช่กุศลกรรมที่จะได้เป็นสมบัติกันเลยที่จะเอาไปแบ่งใครใครได้บุญนั้นหมายถึงเครื่องชำระกิเลสผู้ที่ทากรรมถึงขั้นบุญก็คือ กรรมนั้นเข้าขั้ น, นกรรมนั้นเข้าขั้นอุตริมนุษธรรมซึ่งเป็นกรรมที่เข้าขั้นคุณวิเศษขั้นชำระกิเลสจากสันดานได้บุญท่านจึงนิยามไว้ว่าสันตานังกุณาติวิโสเทติแปลว่าการชำระกิเลสในสันดานให้สะอาดหมดจด ผู้ทำกรรมแล้วเป็นกิเลสใส่ตนเองหรือบุมเลอกกิเลสตนเองนั่นคือผู้ทำบาปผู้มีบาปคือผู้ตกนรกผู้ตกสู่ความเสื่อมแท้นรกคือพบหรือแดนของสัตว์ที่ทำความเสื่อมใส่ตนซึ่งสะสมผลทางนมามธรรมไม่ใช่ผลทางวัตถุธรรมหรือทางรูปธรรมเลยนรกไม่มีรูปให้เห็นอย่างที่ตาเห็นหรือจมูก หรือหูได้ยินนี้หรอกนรกคือความรู้สึกซึ่งเป็นเรื่องของจิตเป็นนามธรรมจริงๆที่ผู้อวิชชาสะสมลงไปในจิตตนเองเป็นอุปทานยางเล็บยึดไว้เป็นตนชื่อว่ากิเลสและตกผลึกอยู่ในอนุสัยที่จำไว้ในสัญญานั้นว่าอย่างนี้แหละคือสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นถ้าได้มาเป็น ตนก็สุขในงเล็บอัตตาหรือได้มาเป็นของตนก็สุขในองเล็บอัตเนยยถ้าได้เสบโดยสัมผัสก็สุขในองเล็บราคะอยู่สัญญานี้แหละคืออุปทานที่ผู้ที่คนผู้นี้ยึดมั่นถือมั่นอยู่สัญญาขันของคนผู้นี้จึงยังมีอุปทานในความเป็นสัญญาของตน อยู่ในงเล็บสัญญูปาทานขันโทซึ่งไม่ใช่ว่าเจ้าตัวจะยังรู้ความเป็นอุปทานของตนได้ง่ายๆการยังมีอุปทานหรือยังมีความยึดมั่นถือมั่นความจำอย่างนี้อย่างนี้ชนิดนี้ว่าเป็นตนในวงเล็บอัตตาเป็นของตนในวงเล็บอัตนียดังอธิบายนี้ใช่ว่า ตนจะรู้ความเป็นตนกันได้ง่ายๆนี้แหละคือความไม่รู้ในวงเล็บอวิชชาจริงๆหรือความหลงจริงๆไม่รู้จริงๆว่าเป็นเพียงความรู้สึกสุขเป็นสุขเทศในวงเล็บสุขคลิกะมันไม่ใช่ตัวตนจริงถ้าผู้มีความรู้สึกสุขนี้ได้ปฏิบัติอย่างสัมมาปฏิบัต กำจัดเหตุคืออุปทานโดยกำจัดตัวตันหาในขณะที่มีตันหาเกิดอยู่พร้อมด้วยสุสระภาโบก็ครบสติมันโตก็บริบูร์และลืมตาปฏิบัติมีสัมผัสหกทำงานเต็มสภาพอยู่ละละัดหากกำจัดตันหาได้หมดเกลี้ยงดับสิน้นอุปทานก็เป็นอันดับด้วยเพราะ ตัณหาอุปทานเป็นอิทัปัตยตากันอยู่แท้คือความเป็นไปตามสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยคือความเป็นไปตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยในอังเล็บเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับผู้ใดมีเวทนาว่าสุขนั่นแหละ แล้วผู้มีวัฒนาสุกนี้ได้ปฏิบัติทำใจในใจในวงเล็บมณสิกรโรติหรืออภิสังขารในวงเล็บปรับปรุงหรือจัดการใจในใจของตนอย่างสมาธิโดยการพิจารณาสติปัฏฐานสี่อย่างสัมมาปฏิบัติกระทั่งสามารถกำหนดรู้ในองเล็บสัญญาจิตในจิตตัวเองได้คือตัวตนความเป็นตัญหาในตน และกำจัดตัณหาของตนในขณะปฏิบัติตามสัมมาประธานสด้วยอิทิบาทสได้สำเร็จจนหมดเกลี้ยงสนิทถึงขั้นเที่ยงแท้ในวงเล็บนิจจังยั่งยืนในวงเล็บทุวังตลอดไปในวงเล็บสัสตังไม่แปลไม่เปลี่ยนแปลเป็นอื่นในวงเล็บอวิปริณามธรรมังไม่มีอะไรมาหักล้างได้ในวงเล็บอสังเฮรัง ไม่กลับกาเริบในวงเล็บอสังกุ ป, ปังก็คือจบกิจบริบูรณ์จบกิจสมบูรณ์ความรู้สึกสุขในวงเล็บสุขเวทนาของผู้นี้ก็ไม่เกิดในใจท่านอีกเพราะที่แท้สุขมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความเทศสในวงเล็บอริกะมันไม่ใช่ตัวตนจริง ไ ด, ได้เลยมันคืออนัตตาจริงๆผู้ที่ปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิเกิดผลดับตัวเหตุได้หมดสิ้นจริงความสุขนั้นมันเป็นเท็จความสุขนั้นมันเป็นความเท็จมันก็หายไปจากใจผู้บรรลุผลแท้ตลอดกาเลยได้ผู้นี้ก็เข้าถึงอนัตตา ไม่ใช่มีอนัตตากันแค่เข้าใจเหตุผลอย่างลึกซึ้งใจในใจได้เท่านั้นนั่นแค่ตรกกะอัตตาของผู้อวิชชามันคืออารมณ์ของคนที่เขายังมีอยู่ในความรู้สึกของตนจริงหรือความรู้สึกที่คนยังมีสุขนี้อยู่ว่าเป็นจริงมีจริง ผู้นี้ก็ยังมีตัวตนในวงเล็บอัตตานั้นอยู่ความเป็นความยึดในวงเล็บอุ ป, ปาทานโดยหลงว่ามันสุขก็ตัวสุขนี้แหละคือตัวความเท็จที่ผู้มีอุปทานหลงมันว่าเป็นความจริงความยึดในวงเล็บอุปทานที่คุณหลงในวงเล็บโมหะหรือคุณไม่รู้ในวงเล็บอวิชชานี่ต่างหาก ที่มันยังฝังอยู่ในอนุสัยของคุณอยู่จึงเป็นความจริงกว่าความสุขมันยังฝังอยู่ในใจคุณเป็นตัวเหตุที่ตัวเองยังวางยังปล่อยไม่ได้การยังปล่อยไม่ได้ยังยึดอยู่ในใจยังมีฝังอยู่ในใจซึ่งยึดจริงแต่ปล่อยไม่เป็นความยึดที่ฝังอยู่ในใจนี้จึงเที่ยงในวงเลบนิจังกว่าความสุข ยั่งยืนในวงเล็บท่วางกว่าความสุขที่คุณได้เสพรถเป็นครั้งครั้งมีชั่วคราวแล้วก็จอจากไปเกิดทีดับทีความสุขเกิดในขณะมีสัมผัสภายนอกอยู่เท่านั้นนั่นคือความจริงหากสิ้นสุดการสัมผัสภ า, ภายนอกนั้นลงเมื่อใดความสุขนั้นก็จบลงไปเมื่อนั้น ความจริงที่เป็นสุขอันมีครบครันทั้งภายนอกทั้งภายในครบทั้งความมีอาการ32มในวงเล็บสุระภาโวครบทั้งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตื่นทั้งภายนอกทั้งภายในเต็มๆในวงเล็บสติมันโตก็ไม่มีแล้วหากจะมีก็เป็นแต่ความจำซึ่งยิ่งจำก็ยิ่งยึด หรือยิ่งประทับใจก็ยิ่งฝังกิเลสความชอบนั้นลงไปในอนุสัยคนผู้อวิชชาอยู่จะไม่รู้ว่าตนยึดมันอยู่จึงยังไม่ปล่อยยังปล่อยไม่ได้หรือแม้บางเรื่องคุณไม่อยากจำมันแต่ถ้าลึกๆึกคุณติดใจมันมันก็คือฝังใจนั่นเอง นั่นแหละคืออุปทานที่ยึดมั่นยิ่งยิ่งขึ้นมันฝังอยู่ในใจลึกๆที่คุณนึกรู้ตัวมันไม่ได้ในเ่็งอันคอนเชียตมันฝังลึกขั้นที่คุณนึกเข้าไปไม่ถึงมันเพราะมันอยู่ลึกลงไปในก้นบึ้งของในของใจถึงขั้นที่สามที่ศาสนาพุทธมีวิธีศึกษาปฏิบัติ ให้ความสำนึกขั้นลึกสุดแค่ไหนก็เห็นในวเล็บปัสติมันได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวมันได้นั่นคือต้องเรียนรู้ตั้งแต่จิตสำนึกขั้นที่หนึ่งแนงเล็บคอนเชียตก่อนเป็นเบื้องต้นตามวิธีการของพุทธและกำจัดมันไปให้ได้เป็นเบื้องต้นศา ส, สนาพุทธปฏิบัติไปตามลำดับต้องปฏิบัติกาจัดกิเลส ในจิตสำนึกขั้นต้นสามัญในวงเล็บคอนเชียตนี้ก่อนแล้จึงจะกำจัดตัวกิเลสขั้นที่สองที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกในวงเล็บซับคอนเชียสต่อไปได้เป็นลำดับลดับเพราะเมื่อจิตสำนึกขั้นต้นในวงเล็บคอนเชียสซึ่งเป็นจิตสำนึกขั้นสามัญถูกกำจัดจนดับไปได้จริงไม่มีกิเลสขั้นต้นในจิตสำนึกสามัญในวงเล็บคอนเชียสนั้นแล้ว จิตสำนึกสา ม, มัญในองเล็บคอนเชียตก็ว่างจากกิเลสขั้นต้นลงจริงจิตสํานึกสา ม, มัญตัวต้นในองเล็บคอนเชียตนี้ไม่มีกิเลสแล้วกิเลสในจิตสำนึกสา ม, มัญในองเล็บคอนเชียตตัวต้นที่กําจัดได้แล้วนี้เรียกว่าวิติกามกิเลสคือกิเลสตัวที่เราก้าวล่วงมันไปได้แล้ว แล้วจากนั้นกิเลสตัวกลางมันจึงจะเลื่อนจากขั้นกลางขึ้นมาเป็นตัวต้นแทนที่เราจึงจะกำจัดตัวกลางที่เลื่อนขึ้นมาเป็นตัวต้นแทนที่นี้ต่อมาเรียกว่าปริยุทธานกิเลสในองเล็บวิติกมะแปลว่าการก้าวล่วง ตอนนี้กิเลสตัวที่เลื่อนตัวขึ้นมาแทนที่จิตสำนึกสามัญ ใ, ในวงเล็บ o อน c i ียสคือเลื่อนมาจากจิตใต้สำนึกในวงเล็บซับคอนเชียกิเลสตัวนี้กิเลสใหม่ตัวนี้กิเลสตัวใหม่นี้นั่นแหละมันยังครอบงำเราอยู่ตอนนี้ตัวนี้ที่จะที่จะต้องพยายามกำจัดมันต่อไปจึงเรียกมันว่า ปริยุทธานกิเลสซึ่งปริยุทธานคำนี้แปลว่าความครอบงำความพยายามกิเลสจึงเป็นกิเลสของจิตใต้สำนึกเน่งเบซับคอนเชียสนั่นแหละเป็นลำดับต่อมาที่จะต้องกำจัดมันในชีวิตความเป็นอยู่กับสามันสานึกในชีวิตที่เป็นอยู่กับสามันสำนึกดังนั้น หากมีเหตุปัใจจัยให้เกิดกิเลสขึ้นมาอีกเมื่อใดจึงเป็นกิเลสขั้นต่อมานี่เองเป็นลำดับที่สองที่เราจะต้องกำจัดมันต่อไปเช่นเมื่อมีการสัมผัสของกายภายนอกกิเลสที่มันยังเป็นกิเลสอยู่จริงซึ่งเป็นกิเลสที่เหลือคือกิเลสขั้นที่สองของจิตใต้สำนึกก็เกิดให้เรากำจัดเป็นขั้นกลางต่อมาผู้จะก ผู้จะสามารถกาจัดกิเลสขั้นกลางก็ต้องก้าวล่วงหน่วเล็บวิติกรมะขั้นต้นไปได้แล้วก่อนแล้วจึงจะได้กาจัดกิเลสขั้นที่สองเมื่อกาจัดกิเลสขั้นที่สองนี้ที่มันเลื่อนขึ้นมาแทนที่ขั้นที่1ได้อีกจริงกิเลสขั้นที่สองคือกิเลสของจิตใต้สำนึกหน่งเล็บซับคอนเชียสที่มันเลื่อนขึ้นมาแทนที่ขั้นที่1กิเลสนี้หมดสิ้นลงไปอีก ก็จะเหลือกิเลสขั้นที่สามซึ่งเป็นกิเลส จ, จากจิตไร้าสานึกในวงเล็บซับในวงเล็บอันคอนเชียสนั่นเองที่จะเลื่อนขึ้นมาอยู่แทนที่กิเลสขั้นที่สองที่หมดสิ้นไปเพราะได้กำจัดกิเลสตัวกลางที่เลื่อนขึ้นมาเป็นตัวต้นนี้ได้อีกเสียก่อนกิเลสตัวที่อยู่ลึกขั้นที่สามคือจิตไร้าสานึก มันจึงจะเลื่อนขึ้นมาแทนที่จิตสํานึกสามัญได้เมื่อกําจัดกิเลส ต, ตัวที่สองของจิตใต้สํานึกได้แล้วต่อมาตัวที่สจิตไร้สํานึกซึ่งเป็นจิตขั้นปลายจึงจะเลื่อนขึ้นมาเป็นตัวต้นแทนที่แทนตัวที่สองได้แทนตัวที่สองอีกที วิธีการปฏิบัติเช่นนี้ต้องมีความจริงที่ครบพร้อมด้วยกายคือองค์ประชุมของรูปภายนอกในองเลพพิาทารูปานิกับนามซึ่งก็เริ่มตั้งแต่สัญญาการกำหนดรู้ที่ทำหน้าที่อย่างสำคัญร่วมกับกายตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิญญาณถีติเจตในสัตววาด้า จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์โอปปาติกะสัตว์ทางวิญญาณที่เกิดอยู่ได้เห็นในวงเล็บปตัติความจริงหลัดๆทุกปัจจุบันในองเล็บจบฉบับที่296